ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเสด็จขึ้นไปประทับณต้นอัสสัตตพฤษหลังจากเสวยข้าวมัรุปายาตินางสุชาดาถวายแล้วก็โอยถาดทองส่งอธิษฐาน แม่ น, น้ำในรันชารานั้นเป็นแม่น้ำประเภทที่เรียกว่าน้ำทีโทษคือกว้างแต่ว่าตื้นในขณะเดียวกันก็มีร่องน้ำคือเรานึกว่ามันอยู่คนละฝั่งกับต้นโพนะฮะต้นอสัตถรพรึกเนี่ยและประวัติศาสตร์ก็เสด็จดำเนินข้ามมาได้โดยไม่ได้บอกว่ามีเรือหรือมีอะไรมารับ ก็แสดงว่าแม่น้ำในรัญชราเมื่อสอง0นากว่าปีกับเดี๋ยวนี้ก็คงไม่ห่างกันเท่าไรหรอกคงจะมีลักษณะอย่างนั้นเนี่ย แ, แสดงก็มีจุดที่สามารถเดินข้ามได้ในขณะเดียวกันก็บางจุดก็อาจจะลึกแต่ว่ามันก็เห็นเนี่ยที่เราเห็นนะฮะประเทศอินเดียมีแม่น้ำประเภทนี้อยู่เยอะก็ เ, เรียกว่านัทีโทษพระพุทธเจ้าทรงแสดงแม่น้าประเภทนทีโทษเอาไว้สองประเภท ประเภทหนึ่งแคบด้วยแล้วก็ตื้นด้วยประเภทที่สองกว้างแต่มันตื้นส่วนนาทีที่เป็นคุนนั้นแคบแต่ลึกแล้วก็กว้างด้วยแล้วก็ลึกด้วยอันนี้ก็เป็นสุดยอดของแม่น้ำนะนะทั้งกว้างทั้งลึกเนี่สุดยอดของแม่น้ําอํานวยประโยชน์ให้ทุกการทุกสมัยท่านบอกว่าครั้นแล้วพระโพธิสัตว์ทรงพักกลางวันณนะสารวัน คือป่าไม้สาระอันมีดอกบานสะพรั่งใกล้ฝั่งแม่น้ำนิรันดรชราเวลาเย็นในเวลาดอกไม้ทั้งหลายล่นจากขั่วจึงได้เสด็จบ่ายประพักไปยังโคนโพธิพฤกษ์ตามผลทางกว้างแปดอุสภะเทวดาทั้งหลายประดับประดาไว้ดุดราชสีเยื้องกลายฉะนั้น เราเทวดานาคยักษและครุฑเป็นต้นพากันบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นอันเป็นชิปและบรรเลงที่พิจสังขีตเป็นต้นหมื่นโลกธาตุให้มีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นเดียวกันมีระเบียบดอกไม้เป็นอันเดียวกันแล้วก็มีเสียงสาธุการเป็นเสียงเดียวกันอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไว้แล้วว่าสำรวจตรงนี้เป็นเรื่องของปราตกะสาแต่ก็แสดงถึงการต้องการมีส่วนร่วม ะของท่านเหล่านั้นแหละอย่าลืมว่าตำนานเหล่านี้เป็นตำนานเล่าขานเล่าขานก็มีการเล่าขานกันในแต่และสายในแต่และเรื่องทีนี้ปรากฏการณ์ของเทวดาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนะพอเป็นเรื่องของเทวดาแต่ในขณะเดียว ก, กันก็อาจจะมีเทวดาท่านใดท่านหนึ่งก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกพระรุ่นหลังเนี่ยเช่นบระมคลานะผู้ประวกติในพระพระพระ พระกอมปติตลอดถึงพระอานนท์เนี่ยแล้วก็สอบถามเหตุการณ์เหตุการณ์ในยุคก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยท่านจะเข้ามาบวชเพราะนั้นท่านก็รู้เหตุการณ์เหล่านี้แต่อย่าลืมมาตอนพระเจ้าประจุมาเนี่ยเทวดา น, นี้หมดเลยนะพวกเนี่ยหนีหมดเลยพระเจ้าก็อยู่โดยลำลําพังพรงเองคือประจุมาโดยลาพั ง, พงเองแล้วก็บอกว่าสมัยนั้นมีคน หาบยญ้าสดทิยาหาบยญ้าเดินทางสวนมาก็รู้อาการพระหมหาบุรุษจึงถวายหญ้าแปดกรรมไอ้หญ้านี่เราก็พูดกันอยู่ว่าในหนังสือที่เรารู้โดยทั่วไปเนี่ยพูดถึงยญาขาแต่ว่าก็ไปศึกษาดูที่อินเดียเนี่ยเขาพูดถึงยญ้า ก, กุศะซึ่งก็ลักษณะคล้ายๆกับหญาคานั่นแหละแต่ว่าใบมันไม่ขันไม่สาก แล้วข้อในทางหอมนะฮะก็กอมันใหญ่กว่าแล้วก็สูงกว่าก็ยังนึกว่าน่าจะมัดมุงหลังขาได้เลยทําไปทุกวันก็เลยเรียกว่ายากุศลทีนี้การแปลในสมัยโบราณเนี่ยเราก็แปลเท่าที่เรารู้นะฮะเพราะว่าไม้บางชนิดเนี่ยมันไม่ได้แพร่หลายอย่างในสมัยปัจจุบันเช่นว่าต้นสาราะกับต้นรังเนี่ยเราลองสังเกตรเราเจอสลับกันอยู่เรื่อยเลย เรื่องกางสาระเนี่ยมันเอาอะไรกันแน่เวลานี้ในเมืองไทยเราเองมันยังเถียงกันอยู่ก็กลายเป็นสาระลังกาสาระอินเดียแล้วก็สาระที่ว่าดอกสวยๆเนี่ยดอกมันเป็นยังไงอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดต่อไปอีกเยอะเลยเป็นความรู้คือคือถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วเนี่ยความรู้เรื่องเรื่องเยอะจริงๆจากคําว่าคําว่าประวัติศาสตร์คําเดียวเนี่ยมันบ่งบอกอะไรอีกเยอะแยะอยู่ในคําตรงนั้น เพราะงั้นพระโพธิสัตว์กราบย่าแล้วก็เสด็จเข้าไปอย่างโคนต้นโรพพฤกชื่ออัศรธาคือโรพพฤกษ์เป็นคําเรียกทีหลังต้นมันจริงๆชื่ออัศรธาจะเป็นต้นไม้ชนิดเนี้ตีต่อมาเราเรียกว่าต้นโพเนี่ยเดิมมันก็เรียกว่าอัศรธะ โพธิแปลว่าปัญญาเครื่องศัสรูเพราะงั้นพระพุทธเจ้าศัสรูหน้าที่ใดต้นไม้ต้นนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อต้นโพชิในยุคศาสนาของพระองค์นะฮะเพราะเราก็พบว่ามีต้นแควฝอยมีต้นกากระชิงมีต้นไซมีต้นอะไรล่ะต้นประดูต้นอะไรตั้งเยอะนะฮะที่พระพุทธเจ้าในอดีตท่านศัสรูมาเนี่ยแล้วก็พูดถึงต้นไม้ที่ศัสรูด้วยกันแล้วก็ไม่ค่อยซ้ํากันนะะ ก็แล้วแต่ว่าพาระุเจ้าพระองค์ใดจะสัตรุที่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นก็เรียกว่าโพธิเท่านั้นเองนะโพ ธ, ธิเป็นชื่อของการสัสรุแต่ว่านํามาใช้เรียกสถานที่ที่สัตรุแค่กระทานนะฮะเราสังเกตว่าทานเนี่ยบางทีก็พูดถึงโรงทานบางทีพูดถึงเจตนาในการให้บางทีก็พูดถึงสิ่งที่ให้บางทีก็พูดถึงผู้ให้บางทีก็พูดถึงผู้รับก็ไม่รู้ นะก็ว่ากันเป็นกรณีกรณีรไปแล้วท่านก็บอกว่าซึ่งเป็นวิชัยพฤติอันรุ่งโรดกว่าหมู่ต้นไม้ทั้งหลายมีร่มเ ง, งาเย็นเว้นจากการชุนุมของวิหกนานาชนิดระดับด้วยกิ่งอันทึบต้องโลงมตอนอ่อนชอยมาประดุดดินดีด้วยปีติทรงทำประทักษิณพญาอัศตรพฤกษ์สามครั้งแล้วเสด็จไปอย่างด้านทิศตะวันออก ประทับยืนผินประพักไปทางทิศตะวันตกเออประเด็นที่น่าสังเกตนะฮว่าการกระทำประทักษ์ศีลนี่ทําทําไมมันก็เป็นปนัญหาที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าทําทําไมล่ะเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่เป็นเรียกโลกาโุวัตนะคือคล้อยตามโลกรับเจนว่าพระวิไนัยทั้งหลายเนี่ยมันจะมีลักษณะของโลกาโนวัต พระบาลีเรียกว่าราชานังนวัตติตุงคือคลอยตามบ้านเมืองไม่จะไปขัดแย้งอะไรกับใครแล้วก็จะสำนึกคุณต่อเอาเรียกว่าลุกธรรมเดาต้องอิงอาศัยต้นไม้ต้นนี้เป็นที่สรุปเดินมาทักศินคือเวียงขวาสามรอบซึ่งหลอกลายมาเป็นเรื่องที่เราแสดงความสำนึกคุณให้การเคารพสักการะต่อสถานที่ต่างๆแต่เราไปเข้าอิงอาศัย อย่างก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยแล้วก็เมื่อได้ทําพระทักษิณเวียงขวาแล้วประทับยืนผินประพักไปทางทิศตะวันตกก็ในด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นสถานที่ตั้งบันลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายประมาส า, าทรงทราบว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่อันพระพุทธเจ้าทั้งปวงไม่ทรงลั เป็นสถานที่ไม่หวั่นไหวเป็นสถานที่กําจัดกลงคือกิเลสจึงทรงจับปลายหญ้าเหล่านั้นเขย่ยเอาตันใดนั่นเองก็ได้มีบรรลังสูงสิบสองสิบสี่ศอกพูดขึ้นนะฮะพวกก็เป็นหรือถ้าเป็นเรื่องจริงก็ต้องต้องถือว่าเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิเป็นบุญญาฤทธิ์นะฮะเป็นบารมีธรรมที่สร้างสมบรมมาเยอะเรื่อ ง, องๆก็ไม่ค่อยแปลกอะไรเท่าไรหรอก เพราะว่าในการต่อมาเราจะเจอว่าไปการตูบรรลังตรงนี้เป็นบรรลังของใครแล้วเกิดขึ้นโดยผลอะไรมันเป็นสำนวนพระอัาจารย์จริงแต่ว่าแต่เรามองแล้วก็ไปสอดคล้องนะฮะไปสอดคล้องกับเหตุการณ์ในยุคในช่วงหลังเดีอตอนที่ไปยามานมามาแย่งบรรลังบรรลังก็เป็นแท่นสูงขึ้นไปนะ ย่าแม้เหล่านั้นก็คงตั้งอยู่โดยสันฐานเป็นภาพที่ช่างเขียนหรือช่างโบกแม้จะทิฏฐานยิ่งก็ไม่สามารถจะเขียนหรือโบกฉาบให้เสมอเหมือนได้ในแนวตรงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องบา ร, รมีธรรมเนี่ยเรื่องเล็กเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่ระดับศยศาสตร์ที่คนขะหมังเวทจริงๆเนี่ยสามารถผูกพยนต์ให้รบ ก, กันได้นะฮะ เศษใบไม้ใบมะขามเป็นตัวต่อตัวแทนได้เป็นต้นเนี่ยมันก็มีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของเราแล้วก็เรื่องบงเรื่องเนี่ยยุคสมัยของเราก็เคยเพเคยเห็นการกระทําเหล่านั้นจะเป็นเรื่องเฉพาะคนถือก็ฝึกปลือมาดีเรียกว่งความสามารถเฉพาะตัวคนเหล่านั้นประสงนี้มันก็กลายเป็นบารามีแต่ถ้าตรงนี้เราจะเห็นว่าคล้ายๆกับตัวยากข่านั้นเป็น ถูกอธิษฐานเป็นพระแท่นไปเลยเป็นพระแท่นที่สูงแล้วก็ญาคาดูแล้ว ก, ก็ยังมีภาพเป็นญาขาอยู่แต่ว่าตรงนั้นเป็นพระแทน่นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งขัดสมาธิเหนือสันถัดญาสิบสี่ศอกก็แสดงว่าญาเนี่ยมันสูงขึ้นไปที่ยังญาแค่แปดรมแต่นั้นเองเนะอนธิษฐานสูงขึ้นไปถึงสิบสี่ศอก ทรงกระทำลำต้นโพไวเบื้องพระปริศดาทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงมีพระมนต์บั่นคงทรงนั่งคูอัปราชิตะบรรลังคือบรรลังที่จะไม่พ่ายแพ้นะฮะอัปราชัยก็คือไม่แพ้ถึงแม้สายฟ้าจะผ่าลงมาถึงร้อยครั้งก็ไม่แตกทำลายตรงนี้อย่างที่บอกไวในวันก่อนโน้นนะฮะว่า คือก่อนที่จะไปรับเข้ามาทุกปายาจะนางสุจดาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่เลิกทุกขรกิริยาแล้วกาหนดทิศทางแล้วในที่สุดก็ทบทวนแล้วก็เดินไปจากอนาปานสติเข้าสมาธิเข้ารูปปัจจานเข้ารูปปานเข้าสมาบัติและในสุดก็กลับมาอยู่ที่จตุธิชานก็ทรงมั่นพระทัยว่าต้องเดินไปทางนี้ เป็นทางเดียวเป็นทางเอกไม่ไปไหนแล้วมีสองอย่างท่านนเองคือไม่บรรลกุก็ตายเป็นการอธิษฐานแบบจาตุรงขางมาประธานคือความเพียรที่ประกอบดรวยองค์4ีจะไม่วันไหวไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินทลายยังไงก็ตามก็ทรงอธิษฐานว่าเลือดและเนื้อและเลือดในสรีระนี้แม่จะเกิดแท่งไปหมดสิน้น จะเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีแต่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ทำลายพลังนี้คือไม่ลุกขึ้นนะเป็นการอาธิษฐานนึกออกไหมฮะว่าตอนตอนเี่พระเจ้าจะนิพพานเขาเรียกอนุถาณาสายญาติแต่ตอนนี้เป็นเป็นเป็นอนุถา น, นะฮะแต่ว่านั่งประทับนั่งคือไม่ลุกขึ้นเหมือนกันถ้าไม่ได้จัดสรุป เพราะนั้นก็นั่งอยู่ออกสองทางคือไม่จัดสรุปก็ตายถ้าไม่ตายก็จัดสรุปเป็นการความเพียรที่ประกอบด้วยองค์สี่ซึ่งตามปกติแล้วถ้าใจิตใจไม่เข้มแข็งจริงๆนะคือทําไม่ได้เพราะตามปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะชอบแบบสัตยาธิษฐานอย่างนี้ชอบอธิษฐานอย่างนี้ยแต่เยอะที่เราทําไม่ได้แล้วก็ไม่ทําจริงด้วยนะเช่น เราทํามัดเย็นธรรมัดเย็นช่วงทํามัดเย็นหรือช่วงนั่งกะโยงนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีคําชกันชะกันแล้กวก็สวดก็ น, น่าเฉยตาเฉยแต่บางวัดที่เคร่งครัดเนี่ยฮะไม่สวดไม่ทําวัดไม่ได้ใกล้ใกลกับประราชีกก็ทีเดียวแต่ว่าปณิธานที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าละอายว่าเราไม่เคยคิดที่จะทำทางนั้น พุทธสาหัสสมิดาโซวาธรรมสาหัสมิดาโซวาสังขัดสาหัสสมิดาโซวาปุทโธเมซามิสโรแปลว่าข้าพเจ้าเป็นทาสผู้รับใช้พระพุทธเจ้าประธรรมประสงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นนายเหนือข้าพเจ้าอธิษฐานขนาดนี้นะแล้วเสร็จแล้วช่วงต่อมาก็บอกว่าพุทธสาหังนิยาเดมิสริรันยีวิตันธิดัง ข้าพเจ้าขอเมาอกายถวายชีวิตพร้อมทั้งศิริราแด่พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ถามจริงๆว่าทําได้สกิลคนนะเคยคิดจะทําหรือเปล่าเคยสวดในสวดจริงแต่ปัญหาว่าเคยคิดจะทําหรือเปล่านั้นก็เหมือนกับเนี่ยประเพณีที่ศีลที่จริงเป็นสัจจะเหมือนกันนะฮะเป็นสัจจะปฏิญญาณปฏิญาณ น, นะว่าจะสมาทานศีลอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นแล้วปัญหาว่ารักษาได้หรือเปล่า เรามีคำขวัญเรามีคำโครงเรามีคำกรอนต่างๆเป็นนันมากที่แสดงให้เห็นว่ารูปของอธิษฐานอย่างเนี้ยอันนี้ก็เป็นการอาธิษฐานแต่ว่าด้วยความเพียรพยายามที่ตั้งสัตยาธิษฐานเป็นความเพียรพยายามแบบประกอบ้วยองสี่ประการไม่จัดสรูก็ตายไม่ตายก็ได้จัดสรู ในสังคมเราเนี่มีอยู่เยอะนะที่ที่ที่ลักษณะตรงนี้เช่นมโนโมอบพระผู้สวยสวรรค์แขนข้ามอบถวายทรงทันเทิดล่าดวงใจมอบมีขวัญแลแม่เกียรติศักดิ์รักฆ่ามอบไหว้แก่ตัวหรือว่าอะไร รักราชจงจิตน้อมพักดีท่านนารักชาติกอบกรณีแน่วไว้รักษาสกอบุญตรีสุจริตท่วงเซิ่องท่วนเทินรักรักศักจงจิตให้โรคสองสันเซินตลอดถึงสร้างเป็นลักษณะสร้างสํานึกเสียศีลสงวนศักไว้วงหงเสียศักสู้ประสงค์สิ่งรู้เสียรู้เด้งดํารงความสัตว์ไว้นาเสียสัตว์ไปเสียสู้ชีพม้อยมรณาเป็นต้นเนี่ย แ้่ก็จริงแล้วก็ทำกันไม่ค่อยได้เพราะันประวัติศาสตร์จรึงเป็นแบบเป็นแบบที่สุดยอดะฮะก็สุดๆของคนซึ่งทำได้สำเร็จแต่อย่าลืมนะฮะว่าก่อนจะไปอธิษฐานอะไรเนี่ยไม่จะทำพลอย มันต้องมองทีหนีทีไล่ต้องมีความชัดเจนนะฮะแต่ทิฏฐานตกปากรับความอะไรก็ใครอย่างไรเสร็จแล้วก็รับไปโดยไม่ทําอะไรเป็นภาษานะักการเมืองภาษาดอกไม้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเสียเครดิตเสียศักดิ์ศรีเสียความรู้สึกเปล่าๆเพรา ะ, ะ น, นพระโพติศาสตร์ในท่านมั่นประไทยของท่านเพราะว่าศีลเนี่ยมีแล้ว นะสมาธิก็มีแล้วมันอยู่ที่ปัญญาที่จะทะลุทะลวงกิเลสคือทําลายกิเลสเท่านั้นเองประวัติการที่บรรลุฌานเนี่ ย, ก, ยก็แสดงว่าศีลศีลนมันเป็นอัตโนมัติแล้วนะฮะศีลนั่คือปกติทนั้นเองเราลองสังเกตว่าพระที่มาฟังเทศชาวบ้านโดยเฉพาะไม่ต้องเอาพระนะชาวบ้านที่มาฟังเทศพระพุทธเจ้าท่านก็มาโดยไม่ได้สมาทานศีลอะไร แต่พอนั่งฟังเนี่ยมันเป็นสัมรวมสัมรวมกายสัมรวมวาจาในขณะนั้นกายไม่ทำสุจริตวาจาไม่ได้พูดทุดจริตใจก็คิดแต่เรื่องสุดจริตใจมันก็เริ่มเป็นสมาธิแล้วตอนสีเนี่ยสัมรวมกายวาจาเนี่ยปร้อยไปแล้วก็จากนั้นก็ปัญญาก็เริ่มพิจารณาแล้วท่านก็บรรลุมากผลเช่นยกตัวอย่างพระยาศักดิ์เป็นต้นแล้วตอนนี้ท่านก็ พระตฐาจารย์ท่านว่านะฮะคือว่าตามท่านไปหน่อยว่าสมัยนั้นเทวดาในหมื่นจักรวาลได้ยืนกล่าวสุดีพระหมาสัตว์ท่าหมาพรมยืนกั้นชัดเวตฉัดกว้างสามโยศไวเบื้องบนจักะเทวราชทรงยืนเป่าสังวิชบุตรได้ยินว่าสังนั้นมีขนาดประมาณร2 0ยสศอกเมื่อเป่าได้ไว้กินลมไว้คราวเดียวก็จะมีเสียงอยู่ถึงสเดือนนี่ก็เป็นสมนวนสมนวนอันตถกถาคือ ภาษาในแนวนี้นะฮะภาษาแนวนี้ส่วนมากก็จะอยู่ที่ลังกากับที่อินเดียนี่เยอะเลยเออคือท่านเชื่อของท่านอย่างนั้นแต่วมาสมัยที่ไปเรียนเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งชื่อบารัวท่านเคยบวชมาก่อนแล้วก็ต่อมาสึกก็มีครอบครัวแล้วก็สอนเก่งมากนะฮะแต่ว่าแม้ท่านเชื่อจังแล้วก็เถียงกันอยู่เรื่อยเลยเวลาเรียนก็นั่งเถียงไ้เราก็ไม่เคยเก่งภาษา อนเก่งภาษาก็พยายามจะเถียงอาจารย์ก็บอกมาคุณนี่ดื้อจริงบอกมันไม่มีเหตุผลนะอาจารย์นะคือเรื่องมันเรื่องมันไม่มีเหตุผลไม่ใช่ว่าเรากินมังคุดทั้งเปลือกคือไปเชื่อกันหมดเลยแต่ว่าเอาเฉพาะที่มันมีความสมเหตุสมผลหมายความว่าถ้าแม้ตัวนี้จะไม่มีคือพระพุทธเจ้าเราในที่จริงเนี่ยตัดอิทธิปาฏิหาริย์ตต่างๆออกให้หมดเลยนะฮะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลย ยิ่งโดดเด่นออกไปอีกไป้ซ้ำไปการที่เรื่องบางเรื่องที่เอาเทวดาเข้ามาแทรกมาปนมาบุ้นเนี่ยมันทําให้ง่ายเกินไปแทนที่จะว่าเป็นการใช้ความเพียรพยายามเยี่ยงบุรุษอนธะิษฐานเลือดเนื้อในกายจะเกิดแท่งไปกระดาษเนี่ยพอเทวดามายุ่งมากบางทีมันก็เสียความรู้สึกบางกันว่าทําไมต้องยุ่งทําไมตอนนี้ ก็ทำไมเป็นเรื่องของพระองค์เองนะะพระองค์ก็ทำอยู่ได้อยู่แล้วพระเทวดาเข้ามาเนี่ยคล้ายๆกับพระองค์ไม่ได้ใช้ความเพียรพยายามอะไรไปเลยแล้วก็บอกว่าคนทันเทพบระบุชื่อปัญจสิกขะถือพินสีเหลืองดังผลมะตรูมยาวสามข่าวุธยืนขับร้องเพลงประกอบด้วยมงคลท้าวสุยามเทวราชนะทรงถือทิพ จามอยาวสามขาวุฒยืนถวายงานพระตุมมนอ่อนแม่แต่พระยากาลนากราชอนากราชฟ้อนรำแปดหมื่นแวดล้อมเลรจะเลพันนา จ, จำนวนสังขยาท่านเยอะไปหน่อยนะแต่นี่คือแสดงว่าเป็นที่ยอมรับนับถือของสัพพชีวิตทั้งหลายคนที่มาอยู่ระดับนี้นะฮะมีความเพียรพยายามระดับนี้พิสูจน์ตัวเองมามาถึงระดับนี้ ก็ย่อมเป็นที่ยอมรับเป็นที่ศรัทธาชื่นชมของบุคคลทั้งหลายจนในขณะที่เทวดากําลังห้อมล้อมกําลังสะดุ ด, ดีก็แสดงความชื่นชมต่อความเพียรพยายามของพระมาบุรุษเนี่ยก็มากล่าวมาถึงพญา ม, มารคือวสวรติมาร ว, วัสวรติมารเนี่ยก็คือมารที่มาขัดขวางพระโพธิสัตว์ ก่อนที่จะเสด็จออกผนวดที่ห้ามไม่ให้ประโพธิสัตว์เสด็จออกผนวดโดยบอกว่าอีกเก็วันก็จะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแล้วจะใหญ่โตมากจะมีหมาสมุทรสากรทั้งสีเป็นขอบเขตเพราะงั้นก็ไม่ควรเสด็จออกผนวดแต่ประโพธิสัตว์ก็ยังเสด็จออกผนวดท่านก็รู้สึกว่าเกือถ้าปล่อยไว้เนี่ยประโพธิสัตว์ก็จะ หลุดรอดจากอำนาจของท่านไปแต่ข้อที่น่าสังเกตนะฮะว่ามานตรงเนี้ยมันคือมานอะไรกันแน่มีการพูดในแนวมารของกิเลสนี้เยอะแล้วก็เคยคุยกับอาจารย์กรรมฐานอาจารย์กรรมฐานท่านก็ชักจะไปทางนั้นบอกว่าอาจารย์ต้องมองสภาวะจิตนะสะภาวะจิตของพระโพธิสัตว์ตอนนั้นไม่ใช่จิตสามัญชนนะเป็นจิตของท่านที่ได้บรรลุฌานแล้วได้สมบัติแล้ว ไอ้กิเลสกิ๊กกอ๊อกไปทำอะไรทันได้แล้วก็ต้องมองกลับไปที่ตัวมารว่าคําว่ามารในทีเนี้ยแปลว่าผู้ล้างผลาญผู้ทําลายผู้เป็นศัตรูผู้ฆ่าผู้เป็นฆาตศึกอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ได้เจาะจงเฉพาะกิเลสอย่างเดียวทันจำแนกมารออกไปเป็นห้าประเภท ก็คือกิเลสมารมา น, มานก็คือกิเลสทั้งหลายนะมีสรุปรวมเป็นโรคกฎหลงเนี่ยแล้วก็อภิสังขารมานก็คือบุญบาปในกรณีทั่วไปเนี่ยก็คือบาปในกรณีที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏเนี่ยก็คือบุญด้วยนะฮะแล้วก็รูปปัจจานรูปปัจจานด้วยเราจะเห็นว่าเห็นไหมพระอรหันต์เนี่ยต้องละรูปปาราคารูปปาราคะก็คือรูปปัจจานรูปปัจจี่ยถ้าไม่งั้นท่านก็บรรลุมาผลเป็นพระอรหันต์ไม่ได้แล้วก็ ขันธมานมานันคือเป็นจะขันที่มีความวิปริตผิดปกติสุขภาพอารณ า, า, ามไม่ดีเนี่ยปวดเมื่อยอะไ ร, ต, ะไรต่างๆแล้วก็มัจจุมานคือความตายที่เข้ามาขัดฟังมาตัดรอนชีวิตของบุคคลคนเป็นอันมากที่กระมังจะประสบความสำเร็จจะมีความเจริญก้าวหน้าถูกความตายมาตัดรอนไปไม่รอด แล้วก็ที่สําคัญยยิ่งคือเทวบุตรมารมานคือเทวบุตรเป็นเทวดาท่านบอกว่าเป็นจอมเทพในสวรรค์ชั้นประนิมิตวสวั ส, สวดีเป็นฉะกามาพจร ช, ชั้นสูงสุดคือชั้นที่หกก็ขัดขวางในกรณีที่เป็นพระพุทธเจ้าแต่ น, นั่นเองนะเราจะเห็นว่าตอนที่พระพุทธเจ้าหลงทางพระโพธิสัตว์หลงทางในท่านไม่โฟมาเลย ยัไกายอยู่ในกํามือนะฮะพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์กําลังจะได้ฐานแน่นอนแนละ้ท่านจึงโผล่ออกมาเพราะโผล่มาสองสองครั้งเท่านั้นเองก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะฮะโผล่มาห้ามไม่ให้บวชกับโผล่มาก่อนที่จะศัตรูเท่านั้นต้องฟังทั้งหลายแต่รลวงปู่ปพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, อกงามไปบูุ์ในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี